เหตุของทุกของนามทุกหเหตุของนามโลกนะเหตุของรูปโลกเหตุของรูปทุกเนี่ยกอย่อถ้าขาดสติปับ๊บมันก็ก่อยเกิดเหตุของนามทุกขนามโทษได้ทันทีเลยเพอมีสติปับ๊บพอไปกำหนดรู้เห็นกระบวนการถึงจะหนักหน่วงเท่าไหร่ก็รู้ศึกษาดูไป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 นาที่ของรูปมันคือทําะไรของมัคือนิจังทุกหน้าตาหนักอลีล้วหนักเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาใหม่อยากจะสบายกว่านี้อีกแต่ความอยากนี้ถูกตามดูไหมถ้าสติตามดูไปเรื่อยๆความอยากนี้ก็แปลเป็นอะไรศีลสมาธิปัญญานะะตัวสติตัวเนี้ย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 เอ๊ะเขาพูดว่าธรรมะส่งเป็นที่พึ่งได้ไงจ ะ, กะเกษมแต่ถ้าขยายความต่อไป <c oughs> จัตตาริอริยสัจจานิสัมปัญญานิยปัสสิน <c oughs> การรู้จักพระพุทธธรรมะส่งในแง่ของเป็นที่พึ่งได้คือรู้จักอริย ส, สัจสีเห็นไหมจัตาริอริยสัจจานิสัมปัญญา <c oughs> เห็นอริยสี่ด้วยปัญญาอันชอบนั่นแหละถึงจะเป็นเขมะถึงจะเป็นกเกษมได้คือเห็นอริยสี่เห็นว่าทุกกาลังเกิดขนาดนี้เห็นชัดไหมแล้วไปแก้ทุก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 ร้องละแล้วการกดับทุกนี้ต้องทําถ้าคนไหนเห็นอย่างนี้ตรงนั้นคนนั้นมีที่พึ่งเกระส ม, มีที่พึ่งในสูงสุดแต่ทำไมชาวพุทธให้ความสาคัญเรื่องนี้น้อยเหลือเกินเพราะเราศึกษากันมาอย่างผิดผิดเราก็ไม่มีใครยอมเราไปศึกษาผิดแต่ฉันถูกทั้งนั้นและนะอันนี้แหละมันถึงยากฮะดังนั้นก็ในแง่ของวิธีการหลวงเทียนจะมาเจาะจุดนี้ให้ชัดและเอาไปทา แต่ถ้ามาเจาะชัดแล้วไม่เอาไปทําเป็นเรื่องเลยเพ้ <P ers> er> อเจอฟุ้งซานใช่ไหมแต่ถ้าเอาไปทําแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาทันทีเรื่องเนี้ยอามาถึงบอกว่าโดยเฉพาะในอเมริก า, ามาไม่ยอมเสียเวลาที่จะพูดเรื่องอื่นมาเจาะเรื่องนี้ให้ชัดๆเมื่อได้หัววิชาตรงนี้แล้วเนี่ยมันไปแอพพลายไปประยุกต์ปฏิบัติได้หมดมันจะรู้เข้าใจหมดแต่ถ้าไม่ได้หัววิชาตรงนี้นะรู้เถอะจบดรศาสตราจารย์อ่านพระเดชพิโดจบ